ที่สวดไปก็สะดุดใจคำว่าขอให้พรหมจรรย์ทั้งหลายของเรานั้นจงเป็นไปเพื่อการทาที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้เถิดหลวงพ่อธราเชียนก็ให้ความหมายของคำว่าพรหมจรรย์ก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวนะการที่เรากลับมารู้สึกตัว การที่เราปฏิบัติทำกันก็คือการที่เรากลับมารู้สึกตัวตรงนี้ก็คือสิ่งที่สิ่งที่เป็นเป็นเรื่องที่เราทำกันอันนี้พอเรื่องที่เราทำกันเป้าหมายที่ชัดเจนก็คือขอให้การปฏิบัตินี้ของเราก็เป็นไปเพื่อการทาที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ก็เป็นสิ่งที่ ช่วยช่วยให้เราเหมือนกับการทำเลที่เรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเนี่ยมันก็จะทำให้เราเหมือนกับเดินหน้าไปเดินหน้าไปอย่างที่ไม่หลงทิศผิดทางตรงนี้ก็เมื่อวานพรจนันทร์นสดพูดถึงนะว่าการสะสมความรู้สึกตัวก็เป็นฐานที่สำคัญการรู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็เป็นสิ่งที่ไม่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่เปล่าประโยชน์ แต่ว่านั่นคือการรู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งก็จะทำให้เราได้เห็นเห็นทำที่เกิดขึ้นในร่างกายในจิตใจของเราชัดเจนขึ้นชัดเจนขึ้นตรงนี้ก็คือสิ่งที่ถ้าเราเหมือนกับพี่พาวว่ามีความรู้สึกตัวมีความรู้สึกตัวแต่ละครั้งแต่ละครั้งการที่ทำที่เกิดขึ้นในตัวเรา ไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับกายเราไม่ว่าอะไรก็ตามที่จะเกิดขึ้นกับใจเราตรงนี้เป็นสิ่งที่ถ้าเราดูยังไม่ปฏิเสธตรงนี้ก็มันก็จะเป็นสิ่งที่เราจะเห็นแต่ถ้าเกิดว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นสิ่งที่เราไปติดชอบติดชังไปติดชอบติดชังพอถ้าเราติดชอบติดชังตรงนี้ก็ก็เรียกว่า การดูก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะว่าตัวนั้นก็มันก็จะกลายเป็นการเป็ น, นการเข้าไปเป็ น, ปนตรงนี้ก็ให้ให้พวกเราได้ได้ลองดูกันสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆจะเป็นอาการปวดเมื่อยก็ดีจะเป็นอาการเบือ่ออาการอยากอาการอะไรยังไงก็ดีอาการต่างๆนั้นาเหล่านี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เป็นธรรมที่เกิดขึ้นมา เ, เพื่อให้เราได้ได้เห็น แล้วก็การที่เห็นแต่ละครั้งแต่ละครั้งตรงนี้เนี่ยมันก็จะเป็นสิ่งที่ยืนยันเยืนยันเราจัดหมวดจัดหมู่ของมันมันก็จะเป็นสิ่งที่เป็นเาเรียกว่าเป็นสภาพทุกข์ที่เกิดขึ้นก็ดีสภาพความไม่เที่ยงที่เกิดขึ้นก็ดีสภาพความไม่มีตัวตนที่เกิดขึ้นก็ดีตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่คล้าย่าเราก็จะสามารถที่จะ จัดหมวดจัดหมู่มันเข้าไปในที่ทางของมันมันก็ไม่มีที่ทางอะไรมากไปกว่านี้นนะก็มีสามหมวดสามหมู่นี้เท่านั้นนั่น fort, <T> นั่นคือตรงนี้นะว่าเราทำอย่างเดิมทำอย่างเดิมทุกวันทุกวันทุกวันแต่สิ่งที่ไม่เหมือนกันที่เกิดขึ้นกับกายสิ่งที่ไม่เหมือนกันที่เกิดขึ้นกับใจทั้งหมดตรงนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ เ, เรียกว่ามันก็เป็นเรื่องที่เรา เราก็ได้เห็น ว, ว่ามันไม่เคยเหมือนกันเนาะไม่เคยเหมือนกันอย่างเรื่องจิตใจของเราจิตใจที่เขาเรียกว่าอาการทางใจที่เปลี่ยนไปเนาะรายละเอียดในใจที่เปลี่ยนไปปั๊บป๊บแป๊บ ป, ะปะเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวเนี่ยมันก็ต่างกันเนาะการลืมตาการหลับตาการหลบตาลง แสง <an> สว่างที่ผ่านเข้ามาหรืออะไรต่างๆนานาเหล่านี้อาการทางใจเราก็เปลี่ยนไปตลอดเนี่ยตรงนี้มันเป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งที่เรารู้สึกตัวครั้งหนึ่งครั้งหนึ่งที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยมันก็คือสิ่งที่ก็เรียกว่ามันแคเป็นสิ่งที่อย่างที่เมื่อวานพระจันทร์โน้ตบอกนะมัน ก, มนก็มันก็เกิดขึ้นนะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วมันก็ดับไปเป็นครั้งครั้งเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปเป็นครั้งครั้ง พอเราเห็นเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะว่าแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นและแต่ละครั้งที่คําว่าดับไปก็คือมันก็ไม่เหลือไม่เหลือสร้างอะไรเพราะนั้นนั่นคือตรงนี้เนี่ยมันก็ทําให้เราได้เห็นว่าสิ่งต่างๆแล้วมันก็เกิดขึ้นเป็นเป็นครั้งครั้งไม่ใช่ว่าเป็นการที่สมัยก่อนเราก็อาจจะมองภาพพวกนี้เนี่ยเป็นภาพ ภาพรวมทั้งหมดนะแล้วเราก็ประเมินไปประเมินเป็นก็ เ, เรียกว่าตามความเข้าใจของเราเนาะไม่ใช่ตามการที่เห็นจริงๆอันที่เช่นชีวิตเราเป็นทุกข์ก็เป็นทุกข์กันไปตลอดเลยอย่างเงี้ยหรือว่าวันนี้เป็นวันที่น่าเบือ่อแล้วก็น่าเบื่อไปทั้งวันเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเป็นความเป็นจริงตรงนี้พอเรามาเห็น มันก็อาการที่มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นขณะเป็นขณะเป็นขณะเป็นครั้งคเป็นครั้งๆเป็นครั้งๆเราเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกตรงนี้เนี่ยมันก็ปฏิเสธไม่ได้มากคือเรื่องนั้นคือเรื่องที่เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆเดี๋ยวก็มีทุกเดี๋ยวก็มีสุขเดี๋ยวก็เบื่อเดี๋ยวก็อยากเดี๋ยวก็จิตใจเราเดี๋ยวก็จังไสจิตใจเราเดี๋ยวก็หมองมัวต่างๆนานาเหล่านี้ คือนี่นี่ก็คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราเห็นจริงๆถ้าเกิดขึ้นจริงๆแต่เมื่อก่อนเราไม่เคยเห็นจริงๆแบบนี้นั้นนั่นคือตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เรามองสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปพอเราเห็นแบบนี้เห็นแบบนี้จนกระทั่งที่เราไม่มีทางปฏิเสธได้เนาะก็อย่างที่เมื่อวานเราสวดบทเมื่อวาน มันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถกำหนดได้นะถ้าเรากำหนดได้มันก็คงเราก็คงกำหนดให้มันตามใจอยากเราแต่นี่เราก็อยากจะทำกำหนดอะไรมันก็ไม่สามารถกำหนดได้สักอย่าง ม, มันเกิดขึ้นก็เรื่องของมันแล้วมันดับไปก็เป็นเรื่องของมันเราเพียงแต่ว่าทำหน้าที่เป็นผู้ดูเท่านั้นเองเราไม่สามารถเปลี่ย น, ปยนแปลงใดๆได้ทั้งหมดตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่า อาการทางกายก็ดีอาการทางจิตก็ดีอาการทางเวทนาก็ดีอาการทางธรรมก็ ด, ากากดีสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเขาก็าปรากฏขึ้นมาในหลักการเดียวกันทั้งหมดแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นโชคดีนะที่เวลาที่เราสวดมนต์เนี่ยเราจะเห็นพระพุทธเจ้าเองก็ลงรายละเอียดลงรายละเอียดแบบที่ละเอียดยิบเนาะเรียกว่าละเอียดยิบอย่างที่ เราไม่เคยเห็นรายละเอียดแบบนี้มาก่อนเพราะชีวิตเราเหมือนกับเราจะอยู่บนความหยากความรีบเนาะความหยากความหยากความรีบความหยาตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้เรามองเห็นอะไรไม่ชัดเจนแต่พอเวลาที่การปฏิบัติธรรมที่เราทาซ้าแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้ำอีกซ้ำแล้วซ้วซอีกตัวนี้มันก็เหมือนการที่เราทำงานเนาะ ได้ทดลองแล้วก็ลงรายละเอียดเหมือนเป็นงานวิจัยเป็นอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยมันก็จะทำให้เราแบบปฏิเสธไม่ได้ถึงผลที่เกิดขึ้นตรงนี้ก็เป็นคุณอุปการนะที่พระเจ้าเองก็ได้นำทางเอาไว้อย่างพระจ้านโน้ก็ได้เทศนาทางพวกเราเนาะอ่อนิทางที่เรายัางไปไม่ถึงมันเป็นแบบนี้พระเจ้าโน้ตก็กุยทางไว้ให้ก่อนตรงนี้พระเจ้าเองก็ ได้ทํารายละเอียดแบบนี้เนาะบางทีเมื่อก่อนก็โดยส่วนตัวก็มองเอแบบว่าทําไมต้องพูดซ้ําแล้วซ้าอีกพูดซ้าแล้วซ้าอีกแบบนี้อะไรเงี้ยบางทีในบทสวดเนาะเราก็มีความรู้สึกกต้องมานั่งหารายละเอียดว่าเออตัวที่มันผิดกันไปนี้คือตัวไหนเมื่อก่อนเราก็เหมือนกับหยับหยาบใช่ไหมเรก็มีความรู้สึกว่าสวดเหมือนกันอย่างเงี้ยนะเอ๊ะทําไมต้องสวดซ้ําแล้วซ้าอีกแต่พอเวลาที่ เราเออมาอ่านพิจารณาจริงๆเอ้มันไม่เหมือนกันนะคำนี้มันผิดไปคำนี้มันผิดไปเอะคำนี้มันผิดไปมันหมายความว่ายังไงอะไรต่างๆนานาเนี่พอเวลาที่ดูลงไปในอะไรเดียกก็มีความรู้สึกว่าเอ้ที่เคยเหมือนกันมันไม่เหมือนกันแล้วและไอ้ที่ไม่เหมือนกันมันก็มีสาระจริงๆที่มันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆอะไรย่เงี้ยตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่ไอ ความหยาบยาบของเราความหยาบครของเราความรีบร้อนของเราหรืออะไรต่างๆนานาที่เราเคยมีมันก็เป็นการประเมินพอเป็นการประเมินภาพมันก็ผิดไปแต่พอเวลาที่พระเจ้าลงรายละเอียดให้เราเราก็ปฏิเสธไม่ได้นะตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าโดยส่วนตัวก็ คำว่านับถือพระพุทธเจ้าก็เกิดขึ้นมาในใจนะเมื่อก่อนนะก็คำนับถือมันก็เป็นสิ่งที่เราก็พูดเราก็เหมือนกับเป็นเป็นภาษาเป็นศัพท์ไปเฉยๆแต่พอเวลาที่เราได้พิจารณาธรรมะที่พระพุทธเจ้าให้ตรงนี้เนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าโอ้ที่สิ่งที่พระพุทธเจ้าให้เนี่ยเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้ลงรายละเอียดให้เราคนที่จะลงรายละเอียดให้เราแบบนี้เนี่ยเป็นคนที่แบบว่าก็ต้องก็ต้องเรียกว่า เอ็นดูนะเอ็นดูเราจริงๆริงเอ็นดูคนรุ่นหลังจริงๆตรงนี้เนี่ยมันก็นับถือนะมาโอ้นี่ภารกิจที่พระเจ้าทําอยู่หลังจากที่ตรัสรู้ก็คือการที่จะมาช่วยนะให้พวกเราได้เห็นจะเป็นมุมนั้นก็ดีจะเป็นมุมนี้ก็ดีพระเจ้าก็เหมือนกับไม่ปล่อยให้มันเกิดช่องว่างช่องโหว่นะธรรมะไหนก็ตามที่เรา หยิบเอาขึ้นมาดูเอาขึ้นมาพิจารณาเนะเราก็จะเห็นสาระสำคัญในการที่เราจะเอาไปปฏิบัติไม่ว่าจะเป็นธรรมะอันไหนอันไหนอันไหนก็ตามเนี่ย mm. ก็จะเป็นแบบนี้ทั้งหมดเพราะนั้นนั่นคือตรงเนี้นะก็มองเห็นนะมองเห็นตรงนี้ว่าอืมถ้าเกิดว่าเราเนอะทตามที่พระพุทธเจ้าบอกว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคาสอนที่เป็นไปเพื่อความไม่ทุกขนะ์ คำสอนพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็สามารถที่จะเอามาจับเอามาปฏิบัติได้ถ้าเรามีเขาเรียกว่ามีจุดหมายจุดประสงค์อันเดียวกันกันกบที่พระพุทธเจ้าสอนตรงนี้เราก็จะไม่หลงที่ผิดทางแล้วเราก็จะเหมือนกับว่าสามารถที่จะหยิบเอาคําสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมาปฏิบัตินะแล้วก็ได้เดินไปในทิศทาง นาะที่จะมีจุดหมายปลายทางอันสุดท้ายที่เราตั้งเอาไว้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ก็เรียกว่าถ้าเราไม่หลงทิศผิดทางเองเนี่ยเราก็จะเหมือนกับสามารถที่จะเอาธรรมะเนาะจะเป็นตรงไหนตรงไหนก็ตามเนี่ยขึ้นมาปฏิบัติทำนองเดียวกันสิ่งที่จะเป็นสิ่งที่เราให้เราได้ดูเนาะให้เราได้ดูก็จะเป็นจะเป็น กายก็ดีเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีทั้งหมดก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นมาในเวลาเดียวกันเราจะดูอันไหนก็ได้นะดูอันไหนก็ได้ก็เป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าก็เกิดขึ้นมาทั้งหมดอย่างเมื่อวานพระเจ้าโนธก็บอกบอกว่าโอ้เรากลับมาที่ฐานกายก่อนฐานกายก็เหมือนเป็นบังเกอร์นะใช่ไหมเป็นบังเกอร์ที่เราก็ค่อยสอบส่องดูค่าศึกตรงอื่นที่เข้ามา ตรงนี้ก็เหมือนกันพอเรากลับมาอยู่ที่ฐานกายก่อนจะเป็นเวทนาที่เกิดขึ้นจะเป็นจิตก็ดีจะเป็นธรรมก็ดีตรงนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็เลือกดูได้ทั้งหมดเลือกดูได้จะเป็นเวลาไหนก็สิ่งต่างๆก็มีปรากฏให้เราได้เห็นจะดูจิตก็ดีจะดูเวทนาก็ดีจะดูธรรมก็ดีก็เกิดขึ้นมาให้เราได้เห็นจะผ่านอากัปปิยาที่เรา แบบตั้งใจทำในรูปแบบก็ดีหรือจะเป็นอ่ากับกริยาที่เราทำก็เรียกนอกรูปแบบจะเป็นกิจกรรมต่างๆก็ดีเลยตรงนี้ก็จะเห็นได้เห็นนะความเปลี่ยนไปจะได้เห็นประเด็นต่างๆประเด็นธรรมที่เกิดขึ้นในแต่ละส่วนแต่ละส่วนซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับเราก็โชคดีเนาะที่เรียกว่าโชคดีที่ได้เกิดมาในยุคที่คําสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่ โชคดีที่มีครูบาอาจารย์คอยได้ชี้ได้แนะนำทิศทางที่ท่านเคยปฏิบัติมาก่อนแล้วก็พวกเราก็ได้เดินตามกันตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับก็มองเห็นว่านี่คือนี่คือโอกาสเนาะนี่คือโอกาสโอกาสที่เรายังคงมีเรายังคงมีลมหายใจอยู่ ยังคงได้เหมือนกับมีโอกาสที่จะจัดให้ตัวเองได้ว่างจากภารกิจมาปฏิบัติธรรมกันอยู่ตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับบางทีก็มองเห็นหลายๆคนก็ไม่มีโอกาส<ม>หรือหลายๆคนคําว่าไม่มีโอกาสก็ไม่ใช่ก็พูดไม่ได้นะแต่ว่าหลายๆคนก็อาจจะมองไม่เห็นความสําคัญก็ไม่ได้จัดโอกาสนี้พอไม่ได้จัดโอกาสนี้ขึ้นชีวิตเราก็เหมือนกับก็ คลุกคลีเนาะเขาเรียกคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่เราคุ้นเคยคลุกคลีอยู่กับสิ่งที่เราเขาเรียกว่าเคยชินเมื่อก่อนนี้ก็เคยเขาเรียกว่าเคยได้ยินเนะได้ยินคนก็าเขาก็พูดกันนะบอกว่าธรรมชาติก็เป็นแบบนี้เนาะธรรมชาติก็เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นชีวิตเขาก็ต้องดําเนินไปแบบนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยนะธรรมชาติเขาชอบแบบนี้ เพราะฉะนั้นชีวิตเขาก็ต้องเป็นแบบนี้แหละเปลี่ยนไม่ได้หรอกอะไรต่างๆตรงเนี้ยก็จะเคยได้ยินอยู่บ่อยๆนะแล้วก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันในใจเราก็คิดว่าเอ๊ะมันใช่หรือเปล่านอ้อไอ้ที่พอเป็นธรรมชาติมันผิดธรรมชาติจนเราเนี่ยคิดมาเป็นธรรมชาติของเรานะเราทําไปตามความเคยชินจนกระทั่งเราเองเราไม่ไม่ได้ออกมาจากเขาเรียกว่าไม่ได้ออกมาดู คนอื่นที่มองเห็นเราก็มองเห็นว่าเอ๊ะนี่มันผิดไปนะมันไม่ใช่ถูกนะอะไรอย่านี้ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับนี่นี่คือสิ่งที่บางครั้งพอนิสัยที่เราสะสมมานานๆ <m> จนกระทั่งเราเองเนี่ยเราเกิดความยึดความติดเราเกิดความเคยชินจนกระทั่งพอเราเปลี่ยนแปลงปุ๊บเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่เราแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บก็กลัวคนอื่นเขาจะว่า กลคนอื่นเขาจะอะไรต่างๆนานาเหลนี้มันไม่ใช่เราแล้วลนะซึ่งตรงเนี้มันก็เป็นสิ่งดีนั่นคือเป็นสิ่งที่เรียกว่าชีวิตเราก็อันตรายมากนะเพราะว่าเราจะเปลี่ยนแปลงตัวเราเองไม่ได้เลยแล้วเราก็ต้องเดินตามคันลองที่เราเคยชินอยู่เนาะก็เรียกว่ากรรมนั้นก็จะเหมือนกับฝังลึกลงไปเรื่อยๆแล้วเราเองเราก็ไม่มีทางหลุดจากบ่วงกรรมนั้นนั่นนั่นคือตรงนี้ก็แบบว่าพวกเราก็ อาจจะลองดูนะว่าเรื่องพวกนี้พอเวลาที่จิตเนาะมันเหมือนกับคล้ายๆว่ามันเคยชินอะไรสักอย่างเนี่ยพอเวลาที่มีอะไรผิดไปปุ๊บเนี่ยจิตมันจะดินนนด้นรนดิ้นรนแบบเรียกว่าดินน้นรนแล้วก็คล้ายๆว่าจนกระทั่งเมื่อก่อนเราก็ต้องยอมตามมันเนาะเพราะว่ามันเหมือนกับคล้ายๆว่ามันเกิดความไม่ไม่สบายอึดอัดต่างๆนานาในใจเราอย่างเงี้ยนะ แ้วเราก็ท้ายสุดเราก็ต้องหันเหกเ็ไปในคันลองของกิเลสที่มันชักนําเราอยู่ตรงเนี้ยถ้าเราลองสังเกตเนาะเวลาที่เราปฏิบัติธรรมกันวันๆอย่างเงี้ยถ้าเกิดเราปฏิบัติไปเนาะมันก็จะเหมือนกับมันก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าวันนี้เนี่ยเราตั้งใจอะไรขึ้นมาสักอย่างอย่างเงี้ยสมมุติเกิดมาลองตั้งใจอาทิเช่นนะว่าวันนี้จะนั่งปฏิบัติเนาะ เป็นหลักเนาะจะเดินให้น้อยที่สุดนะหมายถึงว่าจนกว่าที่เรานั่งแล้วจะไม่ไหวแล้วเราก็อาจจะลุกปรับอิริยบทสักเล็กน้อยกลับลงมานั่งใหม่ถ้าเกิดว่าเราลองตั้งใจแบบนี้ดูเนี่ยรับรองได้เลยว่าเดี๋ยวอาการของจิตเนี่ยมันก็จะดิ้นรนอย่างยิ่งนะนั่นนั่นคือตรงนี้บางทีมันก็สนุกเหมือนกันนะกับการที่เหมือนกับเราลองอธิษฐานเป็นวันๆ น, นะวันนี้จะเดินทั้งวันวันนี้จะนั่งทั้งวัน วันนี้จะลองตักกับข้าวอย่างเดียววันนี้อะไรต่างๆนานาเหล่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราลองตั้งใจอะไรที่มันผิดไปจากเดิมที่เราเคยชินอยู่เนี่ยเราจะเห็นเนาะอาการของจิตที่มันแบบเรียกว่าดินน้นรนวุ่นวายมากๆวานทีก็สนุกเหมือนกันก็เห็นชัดดีเหมือนกันนะอย่าง้นะตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าเราเวลาที่เราปฏิบัติตรงนี้เนี่ยบางที อาการของจิตที่เด่นขึ้นมาบางทีเราก็เห็นอาการของกายเหมือนกันเราเคยทําแบบนี้อยู่พอเวลาที่เราแบบว่าทําอย่างเดียวนะตั้งใจทําอย่างเดียวทั้งวันบางทีอาการกายมันก็เห็นเวทนาก็เห็นอาการทำก็เห็นอะไรเงี้ยนะเนี้ยนะตรงเนี้ยก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับมันก็เป็นถ้าโดยส่วนตัวก็มองเห็นว่ามันเหมือนกับเป็นเหมือนกับเป็นธรรมะบันเทิงนะ เป็นเหมือนกับทําให้เราได้ได้เห็นสิ่งที่มันเกิดขึ้นหลวงพ่อก็เขียนก็เคยพูดเคยพูดคําว่าเข้ามาแสดงให้เราดูนะเข้ามาแสดงให้เราดูตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เหมือนกับถ้าเราถ้าเราลองดูนะธรรมะที่พระพุทธเจ้าบอกธรรมะที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนําเอาไว้ได้ชี้ให้เห็นหออตุและเหตุผลนานๆเ่านี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเอาไปปฏิบัติแล้วก็ ได้เห็นได้เห็นสภาพธรรมต่างๆได้เห็นสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเนะเห็นทันก็ดีเห็นที่เกิดไปแล้วก็ดีเห็นอะไรยังไงก็ดีอะไรเงี้ยนะตรงเนี้ยก็จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าพอเราได้เห็นตามนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดศรัทธาเกิดศรัทธาแล้วเราเองก็จะเหมือนกับว่ามีเ้าเรียกว่ามีกำลังใจในการปฏิบัติแล้วก็มีกำลังใจที่จะเดินไปเพราะเนื่องจากว่า สิ่งที่เราเห็นเนี่ยผลของการเห็นเนี่ยก็คือเขาเรียกว่าเป็นความมั่นใจก็ดีจะเป็นสิ่งที่เราพิจารณาว่าโอโนี่ทำที่เราเห็นเนี่ยมันเข้าไปในหมวดหมู่อะที่เช่นเป็นหมวดหมู่ของไตร ล, ลักษณ์เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความไม่มีตัวตนตรงนี้เนี่ยโอ้มันก็ชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นตรงเนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นศรัทธาตัวจริงเนาะ หลวงพ่อเขียนจะบอกบางว่านี่คือศรัทธาตัวจริงจากการที่เราเคยศรัทธาครูบาอาจารย์ต่างๆแต่ว่าท้ายที่สุดเนี่ยเราก็กล้กายว่าตัวบุคคลก็เป็นตัวที่เราเลือกยึดถือแต่ว่าสิ่งที่สําคัญก็คือธรรมะที่พระพุทธเจ้าเองให้ไว้ธรรมะที่ครูบาอาจารย์เองชี้ให้ดูเนี่ยตรงนี้จะเป็นสิ่งที่เหมือนกับว่าก็จะเป็นสิ่งที่เราได้เอาใช้นําชีวิตเราจริงๆแล้วก็ ผลที่เกิดขึ้นเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เราก็ค่อยๆรับค่อยๆว่าค่อยๆรับเป็นลําดับลำดับเนาะความไม่มีทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นขณะขณะก็มากขึ้นมากขึ้นในพื้นที่ชีวิตของเราตรงเนี้ก็เป็นสิ่งที่อยากให้พวกเราเนาะในโอกาสที่พวกเราได้เหมือนกับตั้งใจสลัเวลามากันก็ให้พวกเราได้เห็นได้ปฏิบัติกันจริงพวกเห็นพวกเรา ใช้เวลาทั้งวันทั้งมันกันก็น่าชื่นชมนะแล้วก็อยากให้พวกเราเนี่ยก็ได้เหมือนกับได้ ก, ก้าวไปนะถึงจุดที่เรียกว่าไม่มีทุกข์อย่างที่พระพุเจ้าบอกนะขอให้พรมอรจธรย์ของเราทั้งหลายแนละจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ก็อยากให้พวกเราได้ไปถึงจุดนั้นด้วยกันทุกทุกืกนนะ นกรับภาบพร้อมกัน